เรื่องศาก1หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะที่โรงอาหารในละแวกบ้านได้หยิบศากอันหนึ่งในสากที่เขาพิงกันไว้สากอันที่สองลมฟาดศีรษะเด็กชายคนหนึ่งตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่า ภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่จงใจพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่จงใจไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่สาม